ดิฉันสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะเราขอต้อนรับ 1 เดือนเต็มๆสําหรับการ สัปดาห์นี้เราได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ 27 นะคะ 27 ค่ะก็บอกบุญไว้ให้ทราบ 2 หือใน 4 ที่ท่านบอกว่าเป็นวิธีเดียวที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ที่เราจะบรรลุทางการพ้นทุกข์ควบอง 8 องค์ๆใช่ๆ4 องนะคะทีนี้ท่านไพบูลย์ พุทธานุสติว่าจะเป็นการที่วางสติแล้วนําไปสู่การ 4 ที่เป็นสัมมาสตินั้นได้วันนี้ขอถึงว่ามีเครื่องมืออะไร เอ่อได้ฟังเสียงพวกนี้มันจะไปรับรู้ในใจนะรับรู้ที่พออินทรีย์ จิตจะถูกสิ่งนั้นดึงไปนะจิตถ้าจิตไม่มีโกรธเคืองมีปัญหากับ ยื่นมือผ่านทางหูดึงจิต ต้องเป็นที่แล่นไป 5 6 ทางนี่แหละอยู่ปากทางคุณเดินสตินะสติก็จะได้นะสติ นะ, 8 นะมรรค 8 เดินไปจนสุด ถามว่าไอ้สติที่เราว่าเราใช้เป็นเครื่องมือป้องกันมารก็ตามเป็นเครื่องมือในการที่จะปฏิบัติเนี่ย<ใช> นึกถึงได้เห็นใบอนุโมทนาแล้วคิดว่าโอ้ใช่ๆฉันเคยไปทําบุญที่นี่นั่นน่ะคือจาคานุสตินะจิตของคุณตอนนั้นแทน ตั้ง 10 ปี 20 ปีที่ผ่านมานี่เค้าทายทานไว้ พะนังกาคือเอ่อสําหรับจดแบบเนี้ยดิฉันเคยพยายามทํานะคะจะว่าแม้เราอยากจะเป็นประโยชน์ด้วยอย่างนี้ใช่แล้ว ทุกคนเนี่ยรู้หมดแล้วว่าไม่รอดแน่อืมในขณะที่ไม่มีใครกล้าบอกเจ้าตัวหรอกแต่ดิฉันก็ค่อนข้างจะเชื่อนะคะว่า อ่าไปได้ก็น่าจะดีนะคะน่าจะดีนะคะท่านน่ะโอ้ดีว่าโอ้ยรู้ตัวว่ามันจะอ่ะค่ะว่าวิมุตติคืออะไร คุณเอ่อมีเรื่องอะไรมาๆที่มันมาจะมาดึง นั่นน่ะคือวิมุตตินทีคือหลุดพ้นละค่ะนะหลุดพ้นแล้วตอนนั้นน่ะเข้าใจมั้ยคือสติที่แล่นไปสู่วิมุตติเดี๋ยวนั้น นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าเนี่ยค่ะเผื่อใครจะมีญาติพี่น้องป่วยอยู่หรือแม้แต่ อย่างนอกจากเอ่อเรามาคิดระลึกถึงเรื่องการให้การบริจาคซึ่งเมื่อสักครู่คุณโยมติ๋วพูดถึงเรามาระลึกถึง คุณมีศีลมั้ยเออใช่ฉันไม่ฆ่าสัตว์ฮะคุณน้อนเปออยู่คุณพูดโกหกเปล่าเออ<ใช> ว่ามีคนมายั่วยวนแล้วฉันไม่ทําโอ้โหใช่ค่ะนะอีกประการหนึ่งนะ ธรรมะ 4 อย่างนั้นคือศรัทธาศีลจาคะแล้วมี 2 ข้อที่เพิ่มขึ้นมาคือศรัทธาด้วย 4 คุณธรรมนี้เอ่อจะสักอันใดอันหนึ่งก็ตามนะ 4 คุณธรรมนี้ที่ ฉันก็เป็นเทวดาเดี๋ยวนี้ได้เลยนะน่ะนั่นคือคุณธรรมที่เรามีสมมุติเรามีศรัทธา อาศัยอะไรในการตรัสรู้ปุรุชาอาศัยในการ 3 อย่างนี้อาศัยทานในการบ่มโพธิญาณอาศัยศีลอาศัยภาวนาในการแล้ว ไม่ต้องนึกถึงว่าหน้าพระพุทธเจ้าพระรูปหรือว่าชื่อพุทธะแต่ระลึกถึงคุณธรรมตรงนี้ก็ ก็คือความสามารถในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความๆนะความเกิดๆนะเช่นถ้าคุณป่วยอยู่คุณเห็นว่าเออบางทีว่าอ๋อมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเห็นความ แล้วก็เห็นไกลรักหรือว่าจึงเกิดดับเห็นเกิดดับเกิดดับใช่เกิดเกิดดับนี่สามารถ ก็ในสมัครมันเป็นอย่างงี้นะซึ่งอย่างงี้ก็จะจะเรียกว่าไปตามโปรแกรมการนี้ได้เนาะค่ะทางฝั่งๆท่านจะรู้เอ้ยสนุกเหมือนน่าติดตาม 3 ข้อที่ทําได้เลยและเห็นผล นะคะวันนี้ก็คงจะขออนุญาตขอบพระค่ะท่านผู้ฟังที่ ถ้าสนใจ 27 เดือนตุลาคมนี้ค่ะเราพบกันในเช่นเรื่องของๆเพื่อ so remote ตัวว่าสู่ความก็อ่าขอให้ท่านไปทดลองทําดูเลือกเอาวิธี